วันนี้เป็นวันอุโบสถพิเศษเพราะเป็นวันเพ็ญเดือนสามวันเพ็ญเดือนสามนี่เรามีพิธีกรรมเรียกว่ามาฆบูชาการบูชาก็คือการกราบไหว้การปฏิบัติตนให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบเรามาบูชากันในวันเพ็ญมาฆเพราะวันเพ็ญมาฆเป็นวันที่มีประวัติศาสตร์ เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาคือมาสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางดำรงพระชนอยู่นั้นพระองค์ได้สรงสาวกออกไปประกาศธรรมะแก่ประชาชนในที่ต่างๆจำนวนมากมายพระเหล่านั้นเมื่อเดินทางไปเผยแผ่ธรรมะก็คิดถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า อยากจะมาเฝ้ามาฟังธรรมะที่พระองค์จะสอนต่อไปยึงได้เดินทางมาที่วิหารชื่อว่าเวลุวันใกล้เมืองราชกฤการเดินมาทางมาของพระเหล่านั้นไม่มีการนัดหมายต่างรูปต่างมามาพร้อมกันเวลาบ่ายที่เวลุวันใกล้เมืองราชกฤต คิดเป็นจํานวนพระทั้งหมดถึงพันสองอยห้าสิบองค์พระเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดพระเหล่านั้นเป็นพระที่บวชกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่าเอหิภิกุอุปสมบทเอหิภิกุุปสมบทนี่คือบวชกับพระผู้มีพระภาคเจ้าใช้ต่อยคำง่ายๆว่าเธอจงเป็นภิกษุเธด คนที่จะบวชนั่นก็ได้ชื่อว่าเป็นพระในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบวชให้อย่างนี้อันนี้พระเหล่านั้นเมื่อนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เดินทางกลับมาที่เวลุวันเป็นสวนไม้ไผ่ใกล้เมืองราชคฤึกเป็นที่ให้เยื่อแก่ ก, กระแตของพระเจ้าพิมพิสารืม่ามาประชุมพร้อมกันก็เป็นเวลาตะวันบ่ายพอดี เรียกว่าแดดร่มลมโชยพระตะวันบางภูเขาเวรพารบันพศทำให้เกิดความร่มรืดสบายใจพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าพระเหล่านั้นต่างผู้ต่างมาไม่มีการนัดหมายกันมาประชุมกันพร้อมเพียงกันถึง1250หองค์พระองค์ก็เสด็จมาสู่ที่ประชุม แล้วก็ประทานโอวาทแก่พระภิกษุเหล่านั้นที่เราเรียกว่าโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกคือคำสอนอันเป็นประธานของการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ความแดดร้อนในชีวิตประจำวันการประทานโอวาทก็เหมือนกับว่าให้หลักการในการที่พระจะไปสอนชาวบ้านชาวเมืองตัว ต, ว ต, วตวไป ให้สอนตามแนวที่ทรงประธานให้นี้ตามลำดับไปโอพระโอวาทิพระองค์ประธานซึ่งเรียกว่าพระโอวาทภาติโมกนั้นมีใจความเหมือนที่เราได้สวดกันอยู่บ่อยๆเกอใจความว่าขันตีประมังตโ a p o ติคขาความอดกลั้นทนทานเป็นตะบะอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวะทันติพุทธา ผู้รูทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นบรมตั ม, รรมนาหิปปะจิโตปา ร, รูปคาตีสมโนโหติป ร, รังมิเฮทยันตูผู้ที่เรียกตนเองว่าเป็นบนรรพชิตหรือเป็นสมณะถ้ายังเบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่หาชื่อว่าเป็นบนรรพชิตสมณะไม่เพราะบรรพชิตและสมณะนั้นเป็นผู้ไม่เบียดเบียนใครไม่ทําใครให้เดือดร้อน แต่ถ้ายัางเบียดเบียนอยู่ก็ไม่เชื่อว่าเป็นบนรรพจิตสมณนะแล้วก็กัดต่อไปว่าสัพปปาปัศสะาการนังการไม่กระทำบาปทั้งปวงกุสลตสู้ประสัมปทะธาการกระทำกุศลให้ถึงพร้อมถะจิตตะประโยทนานังการทำจิตของตนให้ขาวสะอาดบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเจิง เป็นคำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วก็กลัดต่อไปว่าอนุปวาธูอย่าเข้าไปกล่าวร้ายกับใครๆอนุปคาทูอย่าเข้าไปล่าปลานใครๆปาติมโมกเกจะสั่งวารูให้อยู่อย่างมีระเบียบวินัยสํารวมในข้อปฏิบัติอันจะเป็นทางให้เกิดความหลุดพ้น เรียกว่าพระปาติโมกมัตตัญญุตาจะพัตตสงรู้จักประมาณในการกินอาหารปันตัญจายาสนังรู้จักหาที่นั่งที่นอนอันสงบอาธิจิตเตจายโขสนใจในการที่จะยกระดับจิตของตนให้สูงขึ้นเอตังพุทธานาซาสนังนี่เป็นคำสอน ของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายหลักที่เราได้สวดกันอยู่ได้ฟังกันอยู่นี้เป็นการแสดงให้เห็นว่ า, าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็สอนในเรื่องอย่างนี้สอนกันโดยลำดับตามเรื่องอย่างนี้ให้ผู้ศึกษาเอาไปปฏิบัติเริ่มต้นด้วยขันตีปรมังตโปตีติก า, าหมายถึงว่าอดกลั้นทนทานเป็นตะบะอย่างยิ่ง ตัาบาคือเครื่องเผาผลาญกิเลสหรือเผาผลาญสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่จะช่วยให้เราเผาผลาญสิ่งชั่วร้ายได้ในชีวิตประจําวันก็ต้องมีความอดทนเป็นประการแรกเพราะความอดทนนั้นสร้างกำลังใจสร้างความเข้มแข็งสร้างกำลังภายในให้สามารถเอาชนะปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้เช่นเราจะถือศีลรับศีลองโสถแปดประการไปถ้าเราไม่มีความอดทนมันก็รักษาไม่ได้คนรักษาศีลต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐานยึงจะรักษาศีลได้ถ้าไม่อดทนก็ทนหิวไม่ได้ก็เดี๋ยวไปกินอะไรข้าวก็ขาดศีลไป ทนเรื่องนั่นทนเรื่องนี้ไม่ได้ก็ขาดศีลศีลก็ไม่เรียบร้อยหรือว่าเราจะเจริญภาวนาก็ต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐานทางจิตใจถ้าไม่มีความอดทนใจอ่อนแอไม่มีกําลังเข้มแข็งไม่สามารถที่จะก้าวหน้าไปในทางที่จะปฏิบัติตนให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนได้ แม่เราทํางานทําการในฐานะเป็นชาวบ้านชาวบ้านก็ต้องมีงานทําต้องมีหน้าที่เป็นหลักปฏิบัติถ้าเราไม่มีความอดทนเราก็ทําหน้าที่นั่นไม่สําเร็จคนบางคนเข้าไปทํางานรับจ้างในบริษัทก็ดีในราชการก็ดีทําไปสักหน่อยเกิดเบือ่อไายแล้วก็ลาออกจากงานนั้นไปหางานใหม่ต่อไป ทำไปไม่ถึงปีก็ลาออกอีกแล้วแล้วไปทํางานใหม่ต่อไปการเป็นอยู่ในรูปเช่นนี้แสดงว่าคนนั้นขาดความอดทนทนต่องานหนักไม่ได้เรียกว่าภาษาไทยเราพูดว่านักก็ไม่เอาเบาทก็ไม่สู้แล้วจะอยู่ในลูกได้อย่างไรธรรมชาติในลูกนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงประเดี๋ยวร้อนประเดี๋ยวหนาว วันเดียวก็มีฝนตกวันเดียวก็มีแดดออกมีเรื่องนั่นเรื่องนี้เกิดขึ้นในวิตีชีวิตของเราตลอดเวลาถ้าเราไม่มีความอดทนเพียงประการเดียวแล้วเราจะได้งานอย่างไรจะทำงานทำการได้อย่างไรเพราะเราไม่มีน้ำอดน้ำทนแต่ถ้ามีน้ำอดน้ำทนแดดรอด้อนเราก็ทนได้หนาวเราก็ทนได้ ยิ่วเราก็ทนได้กระหายเราก็ทนได้คนที่ทนได้ก็มีกำลังเผาผลาญความเจ็บข้านเผาผลาญความ อ, อ่อนแอทาให้เรามีความเข้มแข็งขึ้นในจิตใจทำอะไรก็จะสําเร็จได้เรียบร้อยในขณะ น, นี้เรากําลังฟังธรรมบางคนก็นั่งไม่เป็นสุขคือนั่งทนไม่ได้ เดี๋ยวก็ลุกขึ้นเดินไปเดินมาให้เป็นผ่านไปทั้งวัดเลยมาควังทำเวลาพระแสดงธรรมก็ต้องนั่งอยู่ในอาการสงบเรียบร้อยไม่เดินไปเดินมาก็เฉพาะเด็กนักเรียนครูพามาครูก็ต้องควบคุมให้เด็กนั่งเป็นที่เป็นแห่งไม่ให้เที่ยวเดินไปเดินมากันแล้วก็ไม่ได้ควังทำ มาอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมาวัดนี่เราต้องการมาศึกษาธรรมะเพื่อให้รู้ให้เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเราให้ถูกต้องแต่ถ้าเราไม่มีความอดทนที่จะนั่งฟังเราก็จะได้ความรู้อย่างไรหรือว่าเรานั่งและแต่ว่าเราคุยกันใชซบซิบซบซิบกันปากอยู่ไม่สุขคุยกับเพื่อนด้านขวา้าคุยกับเพื่อนดาน่านาย ก็ไม่ได้ความธรรมเหมือนกันเวลากลับไปถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ถามว่าเธอไปวัดน่าได้ความธรรมหรือเปล่าอาจจะโกหกไปอีกว่าได้ฟังแล้วได้เรื่องอะไรพระท่านเทศว่าอย่างไรท่านสอนว่าอย่างไรก็ตอบไม่ได้ก็เพราะไม่ได้ตั้งใจฟังที่ไม่ได้ตั้งใจฟังก็เพราะว่าไม่มีความอดทนเป็นพื้นฐานทางจิตใจ ทำอะไรก็ไม่สำเร็จสมความปรารถนาเพราะงั้นเรื่องความอดทนนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญภาษาธรรมะเรียกว่าขันติขันติแปลว่าอดกลัน้นอดทนทนได้ไม่ยอมอ่อนแอไม่ยอมยแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นเย็นอากาศร้อนเราก็ทนไม่บ่นไม่ว่าเราก็ทำงาน โดยเอาต้นหมากราบไม้ต้นหญ้าเป็นตัวอย่างเช่นหญ้าที่มันขึ้นอยู่ในสนามร้อนก็พออยู่อย่างนั้นเย็นก็อยู่อย่างนั้นต้นหญ้าไม่บนไม่ว่าอะไรแล้วก็ไม่หนีไปไหนต้นหมากรากไม้ที่เกิดขึ้นอยู่ทำให้เราได้รับร่มเงามันก็อยู่อย่างนั้นอดได้ทนได้เราก็ต้องอดทนอย่าอ่อนแออย่าทอดแท้ เวลาใดจิตใจมันอ่อนแอขึ้นเราก็พูดว่าหินมันทนได้แผ่นดินทนได้ต้นไม้ทนได้เราเป็นผู้มีความประเสริฐกว่าสิ่งเหล่านั้นทำไมเราจะทนไม่ได้แล้วเราก็ทำงานไปด้วยความตั้งอกตั้งใจคราวหนึ่งไปโรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งในห้องอาจารย์ใหญ่นั้นมีรูปในหลวง รูปในหลวงรูปนี้คนถ่ายก็ถ่ายเก่งมากเกิด่ายขนาดที่เหงื่อไหลที่ปลายจมูกของในหลวงตาพูดราชาศัพ์ก็เรียกว่าพระเสโทไหลออกมาที่ปลายนาศิกจมู ก, กเรียกว่านาศิกไหลยดยดออกมาที่ปลายจมูกอ่ะแล้วก็ถ่ายรูปนั้นได้ทันทีน่าจะให้รางวัลการถ่ายรูปของคนคนนั้น พระถ่ายรูปในหลวงขนาดที่เหงื่อไหลที่ปลายจมูกแล้วครูอาจารย์นั้นก็รูปนั้นมาติดไว้ในห้องที่ทํางานอาตมาไปเห็นข้าวบอกแม่รูปนี้ดีมากเป็นตัวอย่างแก่คนทั่วๆไปว่าในหลวงนี่ท่านไปทรงงานกลางแจ้งเหงื่อไหลไข่ ย, ย้อยก็ไม่ถอยหนีนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอาจารย์ ใหญ่คนนั้นก็บอกว่าผมทํางานทําการเนี่ยถ้าเกิดเบื่อหน่ายในงานไม่ชอบงานขึ้นมาผมก็ลุกขึ้นมายืนยืนแล้วก็ดูรูปในหลวงที่มีเหงื่อไหลปลายจมูกเนี่ยแล้วก็บอกตัวเองว่าดูในหลวงมั่งสิท่านทํางานจนเหงื่อไหลปลายจมูกแล้วเรานี่ทํางานในห้องเอแล้วยังขี้เกียจย่างเหลวไหล เป็นคนที่ใช่ไม่ได้ก็ว่าตัวเองสอนตัวเองแล้วกลับไปทํางานต่อไปเพราะเห็นนายหลวงท่านทํางานถึงกับเหยื่อยอดปลายจมูกอันนี้เป็นภาพตัวอย่างให้เห็นว่านายหลวงท่านทรงมีความอดทนทนลําบากทนกรากรมเสด็จไปตามป่าตามภูเขาเดินขึ้นเขาเดินลงเขาขามบวยขามน้ําไปไหนก็ไปทางนั้น แล้วก็ไปยืนกลางแก้งอธิบายเอาแผนที่มากลางออกแล้วอธิบายว่าตรงนั้นตรงนี้ควรจะทําอย่างไรโยมเคยเห็นรูปในหลวงปรากฏในข่าวโทรทัศน์บ่อยๆแต่เราเห็นรูปอย่างนั้นแล้วก็จงนึกกับตัวเองว่าในหลวงของเรานี้มีพระคันติบารมีเรียกว่าทศธรรมสิบประการทศพิธราชธรรมของในหลวงอะ มันมีอยู่ข้อหนึ่งเรียกว่าขันติคือความอดทนเองท่านทรงบำเพ็ญขันติอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยเป็นตัวอย่างแกเราทั้งหลายติเป็นประชาชนอยู่ในประเทศนี้ด้วยเหมือนกันนี่ก็เป็นความอดทนอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนั่นอดทนที่สำคัญสูงขึ้นทางจิตใจเราเรียกว่าอาติวาสนาขันติ อธิวาสนาขันติคืออดทนกับสิ่งยั่วยุที่ทำให้เราใจตกต่ำของในโลกนี่มันยั่วเราอยู่ตลอดเวลารูปก็ยัว่วเสียงกลิ่นรสสัมผัสถูกต้องหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเช่นเกิดความกาหนัดเกิดความกัดเคืองเกิดความลุ่มหลงเกิดความมัวเมาในเรื่องอะไรต่างๆ ก็ทำให้จิตใจเราโยกเยกไปกลับมารมนั้นเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวอยากได้เดี๋ยวไม่อยากได้เป็นไปในรูปต่างๆก็เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นในใจเราก็เสียหลักการความอดทนไม่มีก็พ่ายแพ้พ่ายแพ้รูปก็ตามรูปไปพ่ายแพ้เสียงก็ตามเสียงไป ไผ่แพรรสอาหารก็ตามไปกินอาหารที่เราชอบใจแพร่กลิ่นก็ตามกลิ่นไปแพร่สิ่งสัมผัสถูกต้องได้จับได้ต้องอะไรก็พออกพอใจติดใจหลงไหลมัวเมา อ, อ, อยู่ในสิ่งนั้นผลที่สุดเราก็พ่ายแพร่ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนใจในเรื่องชาดกก็เล่าเรื่องไว้ว่าพระราชาเนี่ยไปเห็นหัวกระทิง่ บ้าเราเรียกว่าหัวกระถิงนะ่สวยงามเรียบร้อยเขาใหญ่เพียดีท่านก็บอกว่าแม่ฉันอยากได้หัวกระถิงตัวนี้ไปวหว้ในโรงโรงเลี้ยงสัตว์ที่ในวังเอาไปดูเล่นอนยะ่างนั้นไว้ในวังใครสามารถจะเอาหัวกระถิงนี่มาได้บ้างที่นี่ก็มีคนฉลาดคนหนึ่งบอกว่าสามารถเอามาได้แล้วเธอต้องการอะไรบ้าง ต้องการเสื่อลำแผนคือเสือเป็นผื่นๆนเนี่ยจำนวนมากเอามากัน้นบางทั้งสองข้างตรงนี้มันแคบแล้วก็อยกวางออกไปกั้นไว้กั้นไว้แล้วก็เอาย่ามาย่ามาผูกไว้กับเสื่อที่กัน้นนะแล้วเอาน้ำพึ่งเนี่ยไปโรยที่บนย่าให้มันหวานชั้นแรกเอาไปโรยไว้ไกลๆก่อนโรยไว้เอาย่าไปวางไว้เอาน้ำพึ่งไปโรยไว้ หัวตัวนั่นกินหญ้ามาเพลินมามาถึงก็กินหญ้าตัวนั้นเมารู้สึกไอ้หญ้าตรงนี้มันแปลกไงมันหวานผิดปคติก็เลยกินกับเขาเขก็ล่อเข้ามาล่อเข้ามากินมาเรื่อยๆจนกระตั้งข้าวมาในสายทางที่เขาทําเสื่อลําแผนกั้นไว้ก็ข้าวไปก็ไม่ค่อยแคบเข้าไปแคบเข้าไปพอไปถึงที่แกะพกอ้อมไม้ไผ่มาดักไว้ไม่ให้ออก แล้วก็เอาเชือกคล้องจับมาไหว้ในโรงเลี้ยงของพระราชาได้หัวตัวนั้นเป็นสัตว์ป่าอยู่ในป่ามีอิสระมีเสรีจะไปไหนก็ไปได้ตามชอบบอกชอบใจไม่มีอะไรกีดกัน้นแต่ผลที่สุด ก, ก็ติดเหยื่อคือน้ำน้ำพึ่งที่เขาเอาไปโรยลงบนหญ้าและกินหญ้าเปลิอกไป จนถึงที่เขาจับได้เอาไปล่ามไว้ในรงูงเป็นทาตต่อไปไม่ได้ออกไปเที่ยวแล้วงัวตัวนั้นได้เป็นทาตเพราะอะไรเพราะติดในรถอาหารรถญ้าที่มันหวานนั่นเองเลยก็ไปไหนไม่ได้ติดญ้าเหล่านั้นเราทั้งหลายบางทีก็ติดเหมือนกันติดเหล้าทิ้งเหล้าไม่ได้ติดบุหรี่ทิ้งไม่ได้ติดหมากก็ทิ้งไม่ได้ ติดไพ่ก็ต้องเล่นทุกวันติดหวยติดเบอร์ก็ต้องไปเล่นหวยเล่นเบอร์ติดความสนุกสนานในรูปใดรูปหนึ่งก็ต้องไปกันอย่างนี้เราไม่เป็นไทยเกตัวเราเป็นทาตของสิ่งเหล่านั้นแล้วเป็นทาตุในมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ให้โยมพิจารณาที่ตัวเองเวลาเราอยากในมันทุกข์หรือไม่อยากสูบบุรียังไม่ได้สูบมันก็เป็นทุกข์ อยากกินหมากไม่ได้กินหมากก็หาวอดบดมันก็เป็นทุกข์อยากดื่มสิ่งที่เราชอบไม่ได้ดื่มก็เป็นทุกข์อยากจะไปไหนเราไม่ได้ไปมันก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ทางนั้นความอยากเกิดขึ้นในใจมันก็เป็นทุกข์ทำไมเราจึงอยากเพราะเราไปติดสิ่งนั้นไอความจริงสิ่งนั้นมันไม่มีอยู่ในใจของเราเมื่อก่อนเราไม่อยากสมัยก่อนนี้เราไม่ได้หัดสูบบุหรี่ มันก็ไม่อยากบุหรี่ไม่ดื่มเหล้ามันก็ไม่อยากเหล้าไม่กินนั้นไม่กินนี่ก็ไม่ติดอะไรแต่ว่าพอเรากินข้าวมันเกิดชอบพอเกิดชอบก็ติดสิ่งนั้นต้องฝนควายต้องแสวงหาในสิ่งที่เราชอบใจถ้าไม่ได้ดังใจก็ครุ่มใจมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจนี่ก็เพราะว่าเราอดทนไม่พอจึงพ่ายแพ้แก่สิ่งเหล่านั้น แต่ถ้าเราทนได้เราก็ไม่จ้องไผ่ไม่จ้องแพ้มีป ร, รือสีตนหนึ่งบำเพ็ญตะบะแ ก, กล้ามีความเพียรสูงมากแล้วก็เอาเท้าเกี่ยวกับเกิ่งไม้เอาหัวห้อยไว้อ้อยอย่างนั้นห้อยจนกระทั่งโดดเขายาวลงไปรูปรามลุงรังไม่ไม่ไม่ยอมเพี่ยนท่านนั้นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาไม่กินอาหารไม่ดื่มน้ำ มีความอดทนแรงกล้าพอสมควรพระราชาต้องการเอาฤาษีตนนั้นมาทํายัญยกรรมเกิดประกอบพิธียัญยกรรมเป็นทำบุญแบบหนึ่งในาศาสนาพราหมณ์ก็ต้องเอานักบวชที่เคร่งเคร่งมาประกอบพิธีไม่สามารถจะไปนิมนต์ได้เพราะไปพูดท่านก็ทํำมันไม่ได้ยินอ่อยหัวอยู่อย่างนั้นละไม่สามารถเอามาได้ พระราชาก็มีความทุกข์เหมือนกันว่าทำยังไงจะเอาฤาษีนี่มาได้ก็พอดีมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นก็เรียกว่าหญิงเพศสยาเป็นพวกที่มันไม่ค่อยจะเรียบร้อยต่อใดข้าปยาสาพระราชาว่าดิฉันจะเอาฤาษีนั้นมาประกอบพิธีให้ได้เอาเธอต้องการอะไรมั่งเขาต้องการให้ไปสร้างที่พักใกล้ๆ ก, กับที่ฤาษีห้อยหัว แล้วไหนที่พักนั้นตกแต่งให้สวยงามไม่เรียบร้อยมีสีสันวันนะมีกลิ่นหอมอะไรดีทั้งนั้นแหละก็ไปอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นก็ตื่นเช้าแม่หญิงคนนี้ก็อ่านุ่งน้อยห่มน้อยคือไม่นุ่งเลยเนี่ยไม่ยุ่งเลยเดินผ่านพ ร, รื้นสีพื้สีแกไม่เห็นนะแกหลับตาผ่านไปผ่านมาแกก็ไม่ลืมตาตาแกปิดอยู่เรื่อยปิดไม่ไม่ได้ลืมตาเลย แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งกระทบหรือสีกลินล่นนะโย่กลิ่นกลิ่นนี่มันจะมู ก, กเราปิดไม่ได้นะแต่ปิดจะมูกมันก็ไม่ได้หายใจไม่ได้หายใจมันก็ตายแต่นั่นเองมันจะแะลมูกมันต้องเปิดต้องหายใจอันนี้แม่หญิงคนนั้นก็ทาหน้าหอมอย่างดีกลิ่นชุยเราเดินสวนกับคนบางคนกลิ่นชุยทาหน้าหอมมากไอทาหน้าหอมมากแสดงว่าเหม็นมาก ก็ <Okay. S 2> วายน้าหอมนี่คื อ, อยาดับกลิ่นนั่นเองนะไม่ใช่เรื่องอะไรกานี่คนไหนมีกลิ่นตัวแรงก็ปุ๊ลงไปเอาแถวลงไปตั้งครึ่งขวดนะตั้งแต่หัวถึงตีนะแต่เราผ่านคนน้อยแม่คนนี้เหม็นจังเลยแต่ไม่ไม่วายอย่างนั้นปรับชอบอเพราะชอบกลิ่นน้าหอมอันนี้พระฤลิีแกก็ได้กลิ่นนะก็สงสัยว่ากลิ่นอะไรแต่ไม่ลืมตาดู่แต่ว่า แม่หญิงคนนั้นทําต่อไปที่จะเอาฤาษีได้ทำยังไงแกเอาน้ําพึ่งไยน้ําพึ่งนี่มันหวานนะของหวานนี่อยู่คนได้ฤาษีห้อยหัวอยู่ปากแห้งปากแห้งเพราะไม่ได้ดื่มอะไรปากแห้งไนงะอันนี้แม่หญิงคนนั้นก็เอาน้ําพึ่งใส่ขวามือไปพอเดินผ่านไปฤาษีก็เอาข้าไปกลาหรือแตกลิน้นแต่ก็ไม่ลืมตาเอาน้ําพึ่งในมือแตะมาแตะริ้มฝีปากนะ อันี้ปากมันก็เปียกอะริยมปี๋ยปากเปียกพอริมปี๋ปากเปีย ก, ร ก, ยกหรือสีก็ต้องเลียเนี่ยมันธรรมาดานคนเราตาอะไรถูกปากก็ต้องเลียอย้างนั้นเลยก็เลียพอเลียเอ๊ะหวานเนี่ยวนันแรกไม่เป็นไรไม่ลืมตาดูหวานก็หวานไปกูไม่ดูมันก็แล้วกันอ่ะหลายหลายวันก็ชักจะสงสัยว้าน้ำพึ่งมันมาจากไหนเนาะมันลอยมาอย่างไรนะแล้วมันกลิ่นอะไรที่มันหอมผิดประหลาดอย่างนี้ แม่หญิงก็นั้นก็มาทําทุกวันนะวัเช้าขึ้นก็มาเดินเชียดกับไปแล้วก็เอาน้าพึ่งไปไปป า, ากมันก็เอาทาสีพึ่งนะน้าพึ่งทาหรือสีก็เลียทุกวันทุกวันนะจักดกระสงสัยแม่ ม, มาอะไรนะกลิ่นก็แปลกแล้วก็หวานด้วยเลยจะลืมตาพอลืมตาก็แม่คนนั่นแกไม่ได้นุ่งผ้านี่พอลืมตาก็กลรงไอ้ที่ที่น่าดูก็เลย ฤๅษีก็เลยชานเสื่อมเลยกระโดดลุ้งลงมาเธอมาจากไหนจ๊ ะ, อะเอาเล่วที่นี้แม่ก็นั่นก็เลยชวนฤๅษีไปที่พักนะไปที่พักแล้วก็เลี้ยงอาหารอย่างดีประเล่าประโลมใจแล้วก็เลยจูงกหมูกฤๅษีไปวางได้พระราชาก็ได้เอาฤๅษีไปประกอบยัญกรรมได้ดีคนเรามันไม่อดทนเลยมันก็เสียหายนะ มันนักบวชเราที่ศึกๆึกนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรทนไม่ได้ทนไม่ได้ทนหิวไม่ได้ทนกระหายไม่ได้แล้วก็จิตใจมันอยากเรื่องนั่นเรื่องนี้ทําก็ไม่ได้ก็เลยไม่มีความอดทนก็เลยลาสิกขาออกไปอยู่บ้านต่อไปพอออกไปแล้วมันก็ทุกข์อะแต่ไม่มาเล่าให้ใครฟังถ้ามาวัดแล้ว่าโอ้สบายสบายสบาย แล้วก็ชวนพระที่ยังไม่ศึกให้ศึกด้วยนะไอ้ตัวหางด้วนแล้วจะมาชวนก็อยู่ในตัดหางด้วยนะี่เป็นไงนะมันก็ชวนนักหางด้วนเพราะไปลักไก่ชาวบ้านเขาดักกลับไว้เลยติดกับดิ้นรนจนางขาดพอหางขาดไม่ได้หางขาดตัวเดียวมันก็เป็นผิดปกติต้องไปชวนเพื่อนหมาหตัดหางด้วยกันมากๆากเต้ก็เรียกไปชุมหมาในป่าชวนให้ตัดหางแต่หมาแก่ตัวหนึ่งบอกว่าอย่าไปเชื่อ ไอ้ตัวนี้หางมันทำไมมันจึงขาดต้องศึกษาดูก่อนหางนี่มันต้องมีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์เขาก็ไม่มีหางไว้ให้พวกเรารกเลยปล่อสุดหมาดมหมาหน้อยก็ได้ปัญญาไม่เชื่อหมาหางด้วนแต่เชื่อหมาแก่ที่ให้ท้ายคติเตือนใจเลยไม่ได้ตัดหางนะหมาตัวนั่นก็หางด้วนอยู่ตัวเดียวคนเราเหมือนกันทาอะไรแล้วชอบชวนเพื่อน ถ้าดื่มเหล้าติดแล้วชอบชวนเพื่อนให้ดื่มเหล้าติดถั่วติดเบอร์ก็ชวนเพื่อนให้ติดถั่วติดเบอร์เป็นลูกอะไรแล้วเป็นคนเดียวไม่สนุกต้องชวนเพื่อนให้เป็นหลายหลคนแล้วก็ชวนเพื่อนไปเที่ยวไฮไดลูกอันนั่นต่อมานี่เรียกามันเป็งนงั้นมนุษย์เราอย่างนั้นอันนี้คนเรามันไม่มีปัญญาไม่มีความอดทนในเรื่องอะไรต่างๆก็เลยไหลไปกับการชักจูงก้องคนเหล่านั้น เลยเสียผู้เสียคนไปตามตามกันอันนี้สำคัญมากเราจึงต้องฝึกความอดทนไว้อารมณ์ที่มากระทบอย่างหนึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มากระทบตากระทบปูกระทบจมูกกระทบลิ้นมันก็ทำให้เราหวั่นไหวไปกับเสียงนั้นไปกับกลิ่นกับรสกับสิ่งสัมผัส ถ, ถูกต้อง ใจมันไหวมันโยกมันคลุงเราก็ไม่เป็นตัวเองไม่มีความมั่นคงในจิตใจเราต้องทนต้องมีสติมีปัญญาขอยควบคุมความคิดการกระทำของเราว่าให้ถูกต้องแล้วก็อะไรเกิดขึ้นก็ไม่เลี้ยวไปดูมันอะไรช่างหัวมันเราไม่เลี้ยวไปดูเราอดได้ทนได้อย่างนี้ก็ชนะได้ถ้าอดทนแล้วก็ชนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้สําเร็จพระโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็อาศัยความอดทนเป็นพื้นฐานเหมือนกันเพราะไปนั่งอยู่ใต้ต้นโพหรือว่าไปบาเพ็ญความเพียรจนร่างกายผายป้อมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเนี่ยก็ทําด้วยความอดทนแ ท, แท้แต่เห็นว่าไม่ได้ประโยชน์จากการกระทําเช่นนั้นก็เลยเลิกไม่กระทําต่อไปเปลี่ยนวิธีใหม่ วิธีใหม่ก็ต้องใช้ความอดทนเหมือนกันให้เราคิดดูว่าพระองค์ออกบวชเมื่ออายุย9สแล้วก็สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเมื่ออายุส5สิบห้าเป็นเวลากี่ปีหกปีเที่ยวศึกษาค้นคว้าปฏิบัติจนได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะนะเป็นเวลานานถึงหปีพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย ทำความเพียร น, นานกว่าครูบาอาจารย์ใดๆอาจารย์องค์อื่นศาสด า, ศาองค์อื่นเขาไม่ค่อยได้ทําความเพียนอะไรเท่าไหรรับเพราะว่าคําสอนไม่ได้ลึกซึ้งอะไรแล้วก็สอนให้คนเชื่อง่ายๆเอาความเชื่อเดิมมาเป็นฐานของความเชื่อเช่นคนมันเชื่อเทพเจ้าอยู่แล้วก็เลยอ้างว่านี่และไอสิ่งที่ฉันนํามาสอนนี่เทพเจ้าสั่งให้มาสอน มาบอกให้ฉันสอนคนเหล่านั้นมันก็เชื่อคนอินเดียก็มีความเชื่อแบบนั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่เลื่อมใสในสิ่งนั้นเห็นว่ามันไม่เก่าหน้าไม่เกิดปัญญาออก็ทรงคิดค้นต่อไปแล้วก็มาสอนให้ใครๆได้รู้ว่าคนเรานี้มีสมองมีปัญญามีความสามารถที่จะศึกษาที่จะค้นคว้า ในเรื่องอะไรอะไรต่างๆได้ด้วยตัวเองต้องช่วยตัวเองต้องพึ่งตัวเองแล้วพระองค์ก็ทําให้เห็นเป็นตัวอย่างจนได้สําเร็จคือได้กัตสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไปเที่ยวสอนคนเวลาไปสอนคนเนี่ไม่ใช่สะดวกสบายสมัยนี้ไปไหนก็ไปรถยนต์บ้างไปรถไถ่บ้างนั่งเรือบินบ้างาไปไกลๆก็ได้นั่งเรือบินไป แต่พระพุทธเจ้าท่านเดินตั้งนั้นแหละเดินกว่าความร้อนกว่าความหนาวความลำบากในประเทศอินเดียคนไม่เคยไปอินเดียไม่รู้ว่าอินเดียนั้นมันทรหดขนาดไหนแต่ได้ไปแล้วจะรู้ว่าลำบากการเดินทางก็ลำบากทำให้เราเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินไกลๆได้แล่อยากจะทาตามพระองค์ด้วยความอดทนอดกลั้นในการเดินทาง ไปทํางานให้สําเร็จความสําเร็จของชีวิตแต่ละบุคคลก็สําเร็จด้วยความอดทนนี่แหละถ้าไม่มีน้ําอดน้ําทนแล้วมันสําเร็จไม่ได้มันเด็กเด็เรียนหนังสือนี่ถ้าไม่มีความอดทนก็สอบไม่ได้เพราะว่าพอว่วงนอนแล้วพอหิวเลิกแล้วอยากเล่นก็ไปเล่นอยากสนุกก็ไปสนุกไม่ได้เอาใจจดจ่ออยู่กับบทเรียนที่ตนจะเรียน ไม่รักการเรียนไม่ขยันไม่เอาใจใส่ไม่คิดไม่ค้นเด็กเหล่านั้นจะเรียนสาเร็จได้อย่างไรเลยสอบไม่ได้เวลาสอบไม่ได้พอโตขึ้นมันก็ลาบากไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่เอาเพราะไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถตนก็ลำบากต้องอาศัยพ่อแม่กินไปวันหนึ่งวันหนึ่งพ่อแม่ตายก็ไม่รู้จะอาศัยใครชีวิตตกต่ำ นี่เป็นผลกรรมของตัวไม่ใช่กรรมเลขชาติก่อนชาติไหนกรรมของความขี้เกียจเหลวไหลเนี่ยไม่มีน้ำอดน้ำทนนั่นเองจึงได้เป็นอยู่ในรูปเช่นนั้นเพราะฉะั้นเด็กๆที่ทำหน้าที่ศึกษาเราเรียนต้องมีความมานะมีความขยันมีความอดทนเป็นพิเศษอะไรยากเราก็ต้องทนอ่านทนศึกษาให้รู้ให้เข้าใจ ไม่ใช่พอเห็นยาเฮ้ยไม่เอาอยากเลนี่อย่างนั้นม่เอาตัวไม่รอดชีวิตเรามันต้องสู้ถ้าไม่สู้แล้วจะเอาตัวรอดได้อย่างไรเราทุกคนต้องสู้ต้องสู้ความลาบากยากเข็ญด้วยประการต่างๆเราจึงจะเอาตัวรอดปลอดภัยอันนี้สำคัญตัวอย่างพระในสมัยก่อนเร่นว่าพระปุณ น, นะท่านจะลาพระพุทธเจ้า ไปสอนธรรมะในแคว้นหนึ่งก็เรียกว่าแคว้นสุนาปรันตปะคนแคว้นนี้เป็นคนดนูร้ายเรียกว่ามีชื่อในทางดุเหมือนบางจังหวัดในประเทศไทยเรียกว่ามีชื่อในทางดุทางฆ่าทางทำร้ายกันไปอย่างนั้นแหละอันนี้พ ร, ระองค์นั้นก็จะไปอยู่ที่นั่นไปสอนคนพระพุทธเจ้าท่านถามว่าเธอจะไปสอนได้คนที่นั้นมันดูร้ายนะมันดูร้าย ท่านก็บอกว่าอยู่ได้บรรยากาศแล้วเธอจะทํำยังไงถ้าเขาด่าเธอนี่เธอจะทําอย่างไรท่านปุณณนะท่านก็บอกเขาดา่านี่จะคิดว่ายังดีกว่าเขาตีเพราะเพียงแต่ดา่ามันไม่เจ็บช้าอะไรดีกว่าเขาตีอันนี้พระองค์ถามเอาแล้ว่าถ้าเขาตีปุ้งก็ยังเธอจะทํำยังไงก็คิดว่าเพียงตีนี่ก็ยังดีเพราะไม่ตายยังจะทํางานต่อไปได้ แล้วถ้าเขาตีเอาเธอตายนะจำไว้าตายก็ดีเหมือนกันเราไม่ต้องฆ่าตัวตายคนบางคนมันลําบากยากเห็นมันคิดฆ่าตัวตายกระโดดน้าตายไปายรถไฟทับตายจิบล้อทับตายมันก็มีอยู่แต่ที่เราไม่ต้องลาบากคนก็มาช่วยฆ่าให้ตายแล้วมันก็ดีเหมือนกันอดีถึงงั้นเรียกว่าดีถึงงั้นเขาด่าก็ดีเขาตีก็ดีฆ่าให้ตายก็ดีพระพุทธเจ้าว่าอ้าแต่อย่างนั้นเธอไปได้ไปสอนได้ พราะมีน้ําอดน้ำํำทนไปสอนในที่นั้นได้ผลที่จดก็ชนะได้ชนะคนเหล่านั้นได้เพราะมีน้ําอดน้าทนพระอปปังองค์ไปอยู่กับคนที่เรียกว่าค่อนข้างจะปัญญาอ่อนโลกเน่าเต่าตุตนนับถือแต่ผีอะไรอนยะ่างนั้นนอันนี้แกก็ไปอยู่พวกนั้นก็มาถามนละ้ว่าท่านเนี่ยถืออะไรอันนี้แกถามและพวกท่านถืออะไร เขบอกว่าถือผีโอ้ฉันก็ถือผีเหมือนกันแต่ผีกองฉันนี่มันเกิดนานแล้วผีกองฉันนี่คือพระพุทธเจ้าเป็นผีใหญ่ชนะผีทั้งหลายทั้งปวงบรรดาผีเล็กผีน้อยที่ตันทั้งหลายนับเือเนสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้อ่าบอกว่าเออผีเราที่ไวายวานี่มันยังเล็กกผีกองพระนี่ใหญ่กว่าก็เลยพวกนั้นก็เข้ามาหาพระ พราแตงก็คอยพูดคอยซ้อนดึงเข้ามาหาธรรมะได้ไม่ขัดคอกันแลยอยู่กันได้นะเพราะว่าชั้นแรกก็เรียกว่าอารมณ์อโลยพูดจากันพอยพอใจกันก่อนแล้วก็อยู่กันได้อยู่ก็ด้วยความอดทนกินอยู่ลําบากลําบากเหลือเกินอามาไปบางแห่งไปดูพระที่ท่านอยู่นะเห็นใจว่าอดทนจริงจริงเช่นคราวนี้ไปอําเภอ อะไรที่โนโ น, โ น, โนไทยหรืออะไรจังหวัดนครราชสีมาสักคำสเกตแสงบ้านคมสะเกตแส ง, สสงไปถึงก็สำหรับหลวงพ่อนะ่ะเาก็จัดอาหารมาให้พิเศษเจ้าเพนแต่ว่าตอนเพนเนี่ยไปดูพระฉันอาหารไปดูฉันว่าฉันอะไรแกก็ไปตัดลาราตีอยู่ในไหนะ้น่ะ ไข่ที่อยู่กลางชานกุฏินะตักมาถ้วยเนะี่ยแล้วก็ไปเก็บผักในหนองอนะ่ะในส่านะผักที่เก็บมานะั้นมันมีกลิ่นโครนอยู่เหม็นโครนอยู่แล้วพระก็เอาว่าจิ้มปลาโดยไม่ได้ปรุงแต่งอะไรจิ้มแล้วก็ฉันกิมร้อยฉันบอกเฮ้ฉันอย่างนี้ทุกวันเนี่ยถามไปงั้นพอกโอย่างนี้แหละครับเสแล้วก็ชาวบ้านไม่เอากับข้าวผู้ปลามาถวายมั่งเลย เขาไหวแต่ตอนเช้าฮะชาวบ้านก็เหลือกเกน่ะเรียก ว, ว่าเกณฑ์พระให้กินเมื่อเดียวเมื่อฉันตอนเช้าแต่ตอนเพลนนี่ไม่ถวายอะไรแต่มันมีปลาล่าอ๋อยใหญ่อยู่กลางชันก็ตักมาแล้วก็มาจิ้มผักกระเฉดบ้างผักริ้นผักบุ้งอะไรที่อยู่ในหนองอแล้วก็มีกลิ่นสาบอยู่ท่านก็ชันได้เพรนึกเลยจวว่าพระพวกนี้น่าสรรเสริญน้าใจเมินําอดนําทน แต่ถ้าพระพวกนั้นมาอยู่กรุงเทพสักพักนะกลับไปฉันไม่ได้คือมาอยู่กรุงเทพแล้วมันอ่อนแอนะเพราะมันสบายเลยพอสบายให้กลับบ้านไปเอาแล้วโอ้ไม่ไหวสบายกินน้าเปาา็นปลาร่าเหบนแก่แก่กินไม่ได้แต่แก่เกิดที่นั่นแก่อยู่ที่นั่นแก่ก็อยู่ได้เหมือนกับตัวหนอนในพริกไนงะมันเกิดที่นั่นมันก็อยู่ได้ไนอะเรานีกว่าพริกมันร้อนนะพริกขี้หนูพริกจี้ฟ้า มันมีหนอนเกิดในพริกไงแต่มันอยู่ได้เพราะมันชินกับสิ่งเหล่านั้นมาตั้งแต่เกิดมันก็อยู่ได้เหมือนคนอยู่ในภูมิประเทศที่ลำบากมันก็อยู่ได้เพราะไม่มีการเทียบเคียงไม่เคยเห็นสิ่งอื่นดีกว่านั้นเขาก็อยู่ได้แต่มาเห็นที่อื่นดีกว่าเขากลับไปเขาเขาไปสบายใจแล้วเขากว่าแมเรานี่เกิดในที่ลำบากไปที่โน่นเขาสบาย อาหารการกินก็ไม่ลําบากไม่เดือดร้อนก็อยู่ได้มันจะลําบากใจขึ้นมาเพราะมีการเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นนั่นเองแต่ถ้าไม่มีอะไรเปรียบเทียบก็ทนได้เรามีกับข้าวอย่างเดียวไม่มีกับข้าวอื่นมันก็ฉันได้เพราะมันไม่มีจะฉันมันก็ต้องฉันนั่นนั่นนะไม่ละฉันได้ไม่ลํำบากเลือร้อนอะไรเอามาไปตางภาคตอนออกเฉียงเหนือเพราอว่ากับข้าวนี่ฉันไม่ค่อยได้ ที่ฉันไม่ได้เพราะกลิ่นปลาล่ามันแรงพอมาวางมันข้าจมูกเสร็จแล้วมันก็ปิดประตูเลยมันมันฉันไม่ไหวแต่ก็ฉันอะไรได้ฉันข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่ไม่ต้องมีกับข้าวก็ได้มันอร่อยอยู่ในตัวปั่นเสียไสก็ไปเจียวเจียวเคลื่นลงไปเจี้วเจียวเคลืนลงไปชาวบ้านก็มาเห็นบอกโอ้ท่านเจ้าดิชอบข้าวเหนียวอมฉันชอบข้าวเหนียว ก็มันไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะกินอยู่มัก็ต้องชอบสิแล้วก็ปั่นกับไว้สักไม่ต้องมากแล้วกระดาษตอกําปั่นมันก็เหลือเฟื่องล่มไปในท้องมันโพองมันอืดอยู่ในตองมันก็คุ้มได้อยู่ได้แกงอะไรแต่อะไรเข้ามาวางมันก็ฉันไม่ได้ไม่รู้จะฉันยังไงมันก็กินได้อยู่ได้ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ว่าวันเดียวก็กลับอยู่หลายวันมันก็ไม่ไหว คือหลายวันมันก็ลำบากนะเลยบอกเอ้าฉันเทศแล้วก็กลับก็เรือบินเย็นกลับพัดเลยก็กลับมาแต่ก็มลที่ไหนก็ไปอีกนั่นแหละไม่ได้เบื่อนายไม่ได้กลัวความลำบากอะไรเราไปได้เพราะว่าไปอยู่ชั่วคราวแต่ถ้าเกิดนั่อยู่สักเจ็ดวันนี่เห็นจะไม่ไหวมันลำบากหลายเรื่องต้องใส่มันจะเสียหายเลยก็รีบไปรีบมาเนียไปเทศเสร็จก็รีบกลับมา ดีอยู่ดีอยู่หน่อยเวลาดี้ัเป็นงั้นนี่เรื่องอดทนนี่เป็นเรื่องสำคัญนี่ยมนั่งฟังเทศนี่ก็ต้องอดทนเอามายืนเทศนี่ยต้องอดทนเหมือนกันต้องยืนเปลี่ยนตรงนั้นบะโยกไว้ละนี่มันเตียนไปแล้วก็ทนไปเทศไปกว่าจะจบแต่ว่ามีการอดทนต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นเราเป็นพุทธบริษัทต้องถือหลักประจําใจว่าพุทธบริษัทต้องอดทน ต้องหนักแน่นไม่เป็นคนอ่อนแอไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขแต่ว่าเรื่องอะไรในไม่สาคัญกับอารมณ์ที่มากระทบมันกระทบแล้วทำให้หวั่นไหวทำให้เราโกรธทำให้เราเกลีย ด, ท ำ, ดทำให้เรารักเราริษยาอันนี้แหละต้องต้องสู้หน่อยถ้าเราสู้ไม่ได้เราก็ป่ายพ่เจนคนมาพูดให้เราโกรธเราก็โกรธขึ้นมา อย่างนี้มันไม่ถูกต้องคอยบังคับตัวเองอย่าไปโกรธเขาถ้าเราจะสู้กับความโกรธก็ต้องท่องไว้บ่อยๆท่องไว้ว่าฉันไม่โกรธฉันไม่โกรธพอเห็นใครเข้ามาก็ต้องพูวดว่าย่าไปโกรธเขานะเขาจะพูดอะไรก็ทำไม่ย่าไปโกรธอย่าไปแสดงอาการอ่อนแอเพราะคนโกรธจะเคือคนอ่อนแอไม่มีกำลังเข้มแข็งไม่มีความอดทน ไม่สามารถจะบังคับตัวเองได้แล้วก็แสดงอาการโกรธแต่เราแสดงออกไปอย่างนั้นมันผิดมันยากไม่มีสมบัติผู้ดีผู้ดีนั้นต้องหนักแน่นต้องอ ด, ดทนได้ทนได้ไม่แสดงอาการอ่อนแอเราก็ต้องคอยเตือนเราไหวดวงหน้าพอใครเข้ามาเราบอกอย่าไปโกรธเขานะทําใจเย็นเย็นไว้พูดกับเขาดีๆอย่าพูดคาหยาบคายกับเขา ถ้าหากว่าเขาพูดหยาบกับ เ, เราเร า, าก็อย่าไปพูดหยาบตอบให้เราเลิกว่าคนนั้นเขาไม่มีมันญาติเขาไม่ได้ศึกษาสมบัติของผู้ดีเขาไม่ได้รู้ธรรมะเราเนี่มันรู้ธรรมะเราจะไปโกรธเหมือนเขาไม่ได้เราพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้านายกอโกรธนายขอมาด่านายขนายขอกรธขึ้นมาด่าตอบนายกนายขอนั่นแหละเลวกว่านายก ทำไมจึงเร็วกว่าเพราะนายโกทำตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วว่ามีอาการอย่างไรพูดอย่างไรกริยาท่าทางอย่างไรเราเห็นอยู่แล้วไม่เตือนตัวเองจะไปตำตอบเขามัางอย่างนี้เรียกว่าเราเพิ่มความชั่วเราเพิ่มคนชั่วความชั่วมันอยู่ที่นายโกแล้วนายขอก็ชั่วคันอีกคนเลยชั่วสองคนกว่าคนชั่วเพิ่มสองคน ความชั่วมันก็เพิ่มขึ้นมันไม่ได้อะไรเราจึงถือหลักไว้ในใจว่าเราจะไม่เพิ่มความชั่วเราจะไม่เพิ่มคนชั่วขึ้นในลูกอย่างนี้ก็อยู่ได้น้ําอดน้นําทนอีกประการหนึ่งในสมัยนี้มันมีปัญหาเยอะเพราะว่าเช่นว่าปัญหาการจราจรเนี่ยการจราจรติดขัดคนหดหดรุ่นน่ะเวลาพอรถติดแลด้วหดหงดรุ่นน่านขึ้นมาทันที เราอดเหิตรงุดงานนั้นเราได้อะไรเรามีความทุกข์ในขณะที่รถไปไม่ได้นี่เราได้อะไรแล้วมันสบายหรือเปล่าลองถามตัวเราเองเราก็เห็นว่ามันไม่สบายเสียสุขภาพจิตเกิดอาการอดเหิตรงุดงานแล้วแต่ใครมาพูดฝังคอในตอนนั้นก็จะลุกขึ้นไปเปรี้ยงปร่างกันเข้าถนนอีกเพราะอารมณ์มันไม่ดีจิตใจไม่สงบ ก็เสียหายเกิดเรื่องเกิดราวรถติดกันเบียดกันนิดๆหน่อยๆต่างคนต่างก็เกิดโทสะแล้วก็ลงมาเถียงกันเถียงกันไปเถียงกันมาก็เปรี้ยงเอให้เรียบร้อยนอนซื้ออยู่กลางถนนนี่มันเรื่องอะไรเพราะขาดน้าอดน้าทนถ้ามีความอดทนได้เขาค่อยผูกค่อยจ้าไม่เป็นไรเรามันก็สบายใจวันหนึ่งนั่งรถไป คนที่มารนะับวเป็นคนขอไปหัวล้านหน่อยหัวล้านใจใจดีนะหัวล้านใจดีหน้าไปก็ไปถึงไอ้รถบขสเนี่แหละมันมาเบียดทูมก่อนตลกบอกเปิดรถดีด้วยรถเบนด์ด้วยนะตลกบอกเปิดไปแล้วมันหยุดอะหยุดแล้วไอ้คนที่กระเป๋าอ่ะคนกระเป๋ามาถึงว่าเอาเรื่องไหมรู้มันพูดดิมันไม่ได้ฝึกหัดอบรมเลยไอ้กระเป๋ารถเบน เอาเรื่องไหมหมายความว่าจะเอาเรื่องหรือเปล่าไปโดนก็เลยยังมาถามพระเจ้าเรื่องหรือไม่แต่ว่าคนนี้ใจเย็นหัวล้านแต่ไม่ใจน้อยแย่ว่าไม่เป็นไรไปไปไปเที่ยวไปเจ้ายวไปหามันไปนะห้ออกรถไปแมวเรื่องแล้วเอามากระบอกห้คุณโยนี่มันไม่เข้าลักษณะเลยเพระว่าคนหัวล้านใจน้อยนี่แต่โยมหัวล้านใจไม่น้อยเลยโอ้ยเจ้าคุณ จะไปยุ่งกับมันทําไมพอกนี้เที่ยวเวลาเอาเรื่องเอาแล้วต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลด้วยกว่าจะได้เรื่องมันเทียนนิดหนอย <c oughs> ไปเคาเอาอีกดีกว่า <c oughs> แกก็เลยไม่เอาเรื่องอะไรเพราหน้าจกใจเย็นใจเย็นดีแล้วขับรถไปส่งอาตมาต่อไปจนถึงวัดที่ต้ตองการจะไปเรียบร้อยนี่แสดงว่าเป็นคนใจเย็นคนใจเย็นเนี่ยมันต้องอดทนถ้าไม่มีอดทนมันเย็นไม่ได้มันร้อน รอนแล้วมันทนไม่ได้แต่ว่าใจเย็นบอกช่าง ม, ามันเถอะไปไปเลยติดหน่อ ย, อยเราไปซ่อมเอาเองได้ก็ไม่ต้องมีเรื่องอะไรกันอย่างนี้มันก็สบายแต่ถ้าคนไม่อดทนอะไรมามึงขับยังไงวะไอ้โรก็มันเปรี้ยงขาวางอันนี้ก็ลงไปต่อยกันเท่านั้นเองมีบ่อยๆ น, นี่ก็เพราะขาดความอดทนหนักแน่ EC. ใจเบาเ บ, า, บามันก็พกนุ่นไว้คนโบราณก็สอนว่าไปไหนให้พกหิน อย่าพกนุ่นไม่ได้หมายความว่าพกหินเอาไปคว่างหัวเพื่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่คําว่าหินนะหมายความว่าหนักแน่นหินเนี่ยมันหนักและมันแน่นนะถ้าพกนุ่นมันปลิวนุ่นพอถูกรถแล้วก็ปลิวไปแล้วนะคนพกนุ่นคือคนใจน้อยใจเร็วอดไม่ได้ทนไม่ได้กระทบนิดหน่อยก็ลุกขึ้นมื่อกดินประสิวไหวไฟอย่างนั้นมันก็เสียหาย แต่ถ้าพวกเห็นแม้ก็ว่าใจหนักแน่นเหมือนดินมันก็เรียบร้อยที่เมืองเชียงใหม่นะ่ะเวลาเขามีงานตามวัดงานใหญ่ๆนะต้องปลูกสารเพียงตาไปเห็นครัง้งแรกก็ไม่รู้ทำอะไรปลูกสารเพียงตาไว้แล้วในนั้นมีก้อนหินก้อนใหญ่ก็อะไรเนี่ยเอามาวางไว้ที่สารนั้นด้วยแล้วมีบาพระมีผ้าไตรเอามาวางไว้ด้วยก็ไปยืนดูๆอะไร ถามว่าอะไรยอมบอกว่าสารพระอุปคุดอุปคุดในเขาถือว่าเป็นพระองค์หนึ่งที่ยังไม่นิพพานยังอยู่ใต้หมาสมุดไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วพระอุปคุดในชอบขึ้นมาในวันเนพ็ญพุธวันไหนวันเป็นพุธแล้พระอุปคุดมาแล้วมาแล้วพระอุปคุดใหม่มาเนี่ยแต่พระตามวัดมาเป็นแถวมาบินธบาตบินธบ า, บบาติทีสองทีหนึ่งนี่ บินกันใหญ่นะได้ข้าวปูปรา ไ, ไปก็ไปฉันกลางคืนต่อไปบ่อยไอ้นี่มันไม่เข้าเรื่องนะไปฉันกลางคืนไม่ได้อามาไปอยู่เชียงใหม่ก็เลยไปแก้นะแก้แม่ยโยมใส่บาตแล้วมาให้พระออกบิณฑบาตเดี๋ยวนี้ไม่มีอไม่มีอย่างนั้นเขามีสี่แยกอุปคุตนะ่ะคนมาใส่บาตพระอุปคุตที่นั้นเพราะเขาถือตามธรรมเนียมพม่าคนพม่าเนี่ยเข า, น, า น, นับถือพระอุปคุต ถ้าได้ใส่บาดพระอุปคุตแล้วจะได้เป็นเศรษฐีโอ้ oh. คนก็มาอยากเป็นเศรษฐีก็เป็นแถวเลยเอาข้าวมาถวายพระกลางดึกให้พระฉันผิดเวลามันจะเป็นเศรษฐีได้อย่างไงเมันไม่ได้เรื่องอันนี้ก็เวลาทําบานทาการ ก, ก็เอาตั้งศาลไว้เอาหินก้อนใหญ่มาวางไว้เอาผ้าไปบอกวางทําไมเห็นพระอุปคุตหินนี่เลยพระอุปคุต ก็เขาทำกันมาอย่างนั้นเลยกันนะผมเขาไม่เข้าใจความหมายก็เลยเทศให้เขาฟังในงานนั้นบอกว่าไอ้ที่อยู่กลางวัดนะเรียกว่าสารพระอุปคุดอุปคุดในแปลว่าเข้าไปรักษาเข้าไปคุ้มครองอุปาแปลว่าเข้าไปคุดตาแปลว่ารักษาเข้าไปรักษาเข้าไปคุ้มครองนะ่ะหมายถึงอะไรหมายถึงสตินั่นเองสติปัญญา เรามาทำงานในวัดหลายหลายคนต้องมีสติปัญญาคุ้มครองจิตใจแล้วก็ต้องหนักเหมือนหินอย่าเป็นคนใจเบาใจง่ายเดี๋ยวก็เถียงกันทะเลาะ ก, กันแม่ครัวทะเลาะ ก, กันก็เดี๋ยวเอามีดตูกควันหัวกันทันนั่นเองมันก็เสียเรื่องไปทันนั่นเองอันนี้ก็จะบอกให้ให้ดูหินก่อนนะว่ามันหนักแน่นอย่างไรให้มีบาทพระด้วยมีผ้าใจจีวรด้วยก็ให้เป็นเครื่องเตือนใจว่า เรามาวัดในต้องเป็นพระมาเป็นแม่ครัวก็ต้องเป็นพระมาหาบน้ำก็ต้องเป็นพระคนมาป่าเืินก็ต้องเป็นพระพระเขาหมายความว่าใจดีใจงามพออย่างเข้าวัดี่เราต้องบอกว่าเข้าวัดแล้วนะต้องเรียบร้อยนะอย่าใจรอ้อนอย่าใจเร็วอย่าหุนหันพันแล่นต้องมีสติควบคุมจิตใจอย่าให้โกรธง่ายอย่าให้ไวต่อความไม่ดี อันนี้เรียกว่ามีสติเข้ามาคุ้มครองรักษาเรื่องก็เรียบร้อยแต่นี่คนเราไม่ค่อยใช้สติใช้ปัญญากระทบนิก้กกระทบห่อยไม่ได้เพียงแต่เพื่อนมองหน้านี่ก็ไม่ได้นะมองหน้าโกรธตามร้านกาแพรด้านอาหารนะคนไปกินข้าวก็ช้ำเรื่องดูเดี๋ยวดูไอคนหนึ่งวันนี้ไอนี่ดูหน้ากูบ่อยๆมาเรื่องอะไรก็เลยโกรธขึ้นมาลุกขึ้นมาถามมองอะไรวะ ไอดอลคนก็ไปคนไม่มีธรรมะเหมือนกันมองอะไรแล้วมาโครงการอะไรของแกว่ะอ้าวแล้วทีนี้ลุกขึ้นมาก็เปื้อนเปื้อนโต๊ะพังาจานแตกถ้วยแตกเจ้าของร้านก็คิดออกเกินค่าอาหารทีนี้เดี๋ยวเวลาแล้วตำรวจมาเชิญไปโรงพักฐานต่อการทะเลาะวิวาทกันเรื่องมันนิดเดียวเรื่องเพื่อนมองหน้าท่านนี้แล้วทําไมไม่คิดว่าไอ้หน้ากูมาโกงเงินสวยให้คนนั้นมันจึงชอบมอง แต่คิดอย่างนั้นมันก็ไม่โกรใครก็มองฉันได้มนคงจะสวยกว่าใครในร้านนี้ไอ้คนนั้นมันจึงชอบมองบ่อยๆแล้วก็ยิ้มกันตัวเองว่ากูมันสวยเว้ยอย่างงี้ใจมันก็สบายมันไม่มีปัญหาอะไรแต่มันคิดไม่เป็นเพราะไม่เคยคิดในแง่กลับตรงกันข้ามไม่เคยเปลี่ยนลูกศรให้เป็นดอกไม้หลังตะลุงมันแสดงสมัยก่อนเนี่ย ไอ้พี่กันน้องมันไม่รู้จักกันเดินป่ามาเจอกันแล้วก็ขัดใจกันยิงลูกสอนไอ้ขวายที่ยิงไปกลายเป็นดอกไม้ไอ้ขวายนั้นยิงมาก็กลายเป็นดอกไม้หมดไม่เข้าคนลูกสอนไม่เข้าคนเพราะมันเป็นดอกไม้เป็นดอกไม้หมดชดสุดเสือสีมาเลยเรือสีมาบอกว่าเธอสั้งสองนี่เป็นพี่น้องกันแต่ว่าไปเรียนคนละที่เลยไม่รู้จักกัน มีฤิมีเดชเหมือนกันแต่ว่ามันมายิงกันไม่ได้เรื่องอะไรดีที่ว่าเวลายิงไปลูกศรมันกลายเป็นดอกไม้ไอ้ดอกไม้มากระทบเรามันก็ไม่เดรอดร้อนอะไระมันสบายใจเราจึงต้องหัดแปลสิ่งต่างๆให้เป็นดอกไม้คำดา่าให้กลายเป็นคำชมคำสอนไปใช่เช่นใครด่าเราเออมันมาสอนกูอีกแล้วมันมาสอนให้กูคิดกนึกในทางที่ถูกที่ชอบ เราก็ไม่โกรธไม่เคืองนั่งเฉยเฉยมันด่าด่าเด้มันก็หยุดไปเองไม่มีเรื่องอะไรอย่างนี้เราก็ชนะแต่ถ้าพอเ้าด่ามาไอชาิหมามึงอะไรหมาอา้าวอะไรนี่หมาสองตัวแล้วพอหมาสองตัวก็ยิงเขี้ยวยิงควันจะกัดกันแล้วดีนี้มันก็ยุ่งอะไรองเพราะว่าไม่คิดแต่คิดว่าเอะมันว่าไอชาิหมาอา้า ไอ้หูกูมันอยู่ตรงนี้หูมันอยู่ตรงนี้หมามันหูมันอยู่ตรงนี้หูมันชี้อันนี้ไม่มีหูไอะจะบุกก็ไม่ยาวอะไรหมามันยาวนะว่าแล้วกับไอ้ขนไม่มีไม่เหมือนหมาเนี่ครับไอ้ น, นี่มันพูดจากโกหกพกลมเอาอะไรมาพูดไม่รู้มันว่าไอฉาดหมากูมาฉาดขนแท้มันว่ากูหม า, ม า, า, ม า, มาเราก็อย่าไปโกรธเพราะเราไม่ได้เป็นหมานี่แต่ตาพอเราโกรธก็เรียกว่าเรายอมรับ บอกมันว่าเบื้องชาดหมาโรดเลยก็หมายความว่า ย, ามายอมรับว่าคูนี่มันหมาก็เลยแหงกันคำรามไปกัดกันนะก็เราหมาสองตัวเกิดเกินก็กัดกันแล้วนี้อันนี้เราอดได้ทนได้มันก็ไม่จ้องไปทะเลาะบ่อแวงกับใครๆได้ประโยชน์กว่าญาติโยมจึงต้องหัดอดหัดทนต่อสิ่งทุกอย่างทนร้อนทนหนาวทนลํำบากทนหิวทนกระหายคนที่อดทนนั้นคือคนไม่บน่น ร้อนก็ไม่บนหนาวก็ไม่บนหิวก็ไม่บนนั่งเฉยๆจิตใจหนักแน่นทนได้นี่คยกว่าเป็นผู้มีความน้ำอดน้ำทนชีวิตเรียบร้อยวันนี้เป็นวันมาคบูชาเราก็ต้องมาฝึกเรื่องความอดทนกันเป็นประการต้นหัดอดทนต่อสิ่งยั่ายุด้วยประการต่างๆทำจิตให้สงบไม่เยือกเย็นไม่ไปก่อเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายกับใครๆ จะได้มีจิตใจสงบสะอาดสว่างเพื่อบูชาพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายเพราะพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายนั้นท่านมีใจสะอาดใจสงบใจสว่างเราก็ควบคุมจิตใจให้เป็นอย่างนั้นตลอดเวลาที่อยู่วัดหรืออยู่บ้านก็นทําใจอย่างนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นการบูชาถูกต้องต่อพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายให้ยมเข้าใจอย่างนี้พูดมาก็พอสมควรแก่เวลา ขอยจติไหวแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลาห้าหนาทีนั่งสงบใจนั่งให้สงบมืออย่าไปเดี่ยวเกาด้านเขานี่อ่ะอเวราอภิยาปัชชาอานิฆา สุขที่อัตนาหนังภริหารันตูสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายโดยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวนแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกกายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดปาทัคขาธรรมของท่านปัญญาณันทภิกขุในชุดนี้ได้จัดทำขึ้นด้วยความปราณีตสมบูรณ์แบบ